มาจากที่ไหนกันเียงรายนะลำปค่ะเใหม่ค่ะโอยมาไกลนมีทุลรศอะไแถวนี้เลยมาทำทุลรศอะไรแถวนี้เลยมามาอะไรย่ำยากค่ะอ๋อแล้วรู้จักที่นี่ได้ไงปอมีน้องค่ะเคยมาฟังทําที่นี่ค่ะออมีหนังสือซีดีแจกนะเดี๋ยวต้องการก็เชิญหยิบได้ เมื่อกี้ลืมบอกถ้อยากได้ก็เชิญดิบราหนังสือซีดีเป็นเป็นเหมือนแผนที่บอกทางให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปคือการพ้นทุกข์ไม่มีใครอยากจะทุกข์แต่ก็ยังต้องเจอทุกข์กันอยู่เพราะไม่รู้จักทาง ที่จะพาเราไปสู่ที่ที่ไม่มีความทุกข์กัน <c oughs> มีใครอยากจะทุกข์ไหมไม่มีใครอยากจะทุกข์นะ <c oughs> อยากจะสุข <c oughs> อยากจะเจริญ <c oughs> ไม่อยากจะทุกข์ยังเข้ามาได้นะใครมาที่หลังจะเข้ามาถวายของเข้ า, ขามาเข้าทางด้านหลังจะสะดวกกว่า หนังสือก็เป็นธรรมะเป็นแผนที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราศึกษาแล้วเราก็เอามาถ่ายทอดกันศึกษาก่อนแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็เห็นผลไปถึงจุดหมายปลายทางก็เลยรู้ทางทางนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครรู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์พวกเราเนี่ยเจอแต่ความทุกข์ตลอดเวลาไม่ทุกข์กับเรื่องราบไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองก็ทุกข์กับเรื่องตำแหน่งไม่ทุกข์กับเรื่องตำแหน่งก็ทุกข์กับเรื่องคำพูดของคนคำสรรเสริญคาตำหนิติดเตียนไม่ย่งนั้นก็ทุกข์กับ รูปเสียงกลิ่นเนอะเห็นรูปบางทีก็ทุกไปยินเสียงบางทีก็ทุกนมกลิ่นก็ทุกเนยเราเราเดินเข้าหาความทุกข์กันเพราะเราไม่มีแผนที่ถ้าเรามีแผนที่แผนที่จะให้เราเดินออกจากความทุกข์กันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขเนะั่ยแหละมันเป็นทุกข์ เราถึงทุกข์กันเราเดินเข้าหาความทุกข์กันอย่างกล้าหาญอย่างยินดีเพราะเราคิดว่ามันเป็นความสุขกันนี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีแผนที่ไม่มีธรรมะเดินเข้าหาความทุกข์เพราะคิดว่าความทุกข์นั้นเป็นความสุขไม่เห็นว่ามัน มันจะเปลี่ยนไปมันจะหมดไปเห็นว่ามีแล้วจะดีได้มาแล้วจะดีแต่ไม่เห็นเวลาตอนที่มันไม่มีวเวลาที่มันหมดมันไม่ดีเช่นตอนนี้เห็นญาญโยบอกว่าโชวงนี้เงียบทามาค้าขายเงียบเงียบก็แสดงว่าเงินทองไม่มีมา เ อ, อเงินทองไม่มามันก็ไม่ดีแต่ถ้าเงินทองมาก็ดีที่เงินทองเราไปสั่งให้มันมาได้หรือเปล่าเวลามันจะไม่มามันก็ไม่มามันเหมือนฝนฝนเราสั่งให้มันตกทุกวันได้เปล่าเดี๋ยบางทีก็ตกบางทีก็ไม่ตกเวลามันตกจะสั่งให้มันหยุดก็ไม่ได้ เนี่ยเรากำลังเข้าหาสิ่งที่มันไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีแล้วก็ไปสั่งให้มันมีก็ไม่ได้เวลาถ้ามันไม่ดีสั่งให้มันดีก็ไม่ได้เนี mm ่ย hmm. ถ้าเราได้มาอ่านหนังสือธรรม ะ, ะเราก็จะได้รู้ว่าเรากำลังเข้าหาความทุกข์กัน ไม่ได้ฮะเข้าหาความสุขความสุขเราไม่เคยเดินเข้าหากันเดินเข้าหาแต่ความทุกข์ที่มีความสุขบางหน้าอยู่หลอกเราเหมือนเหมือนอยาขมเกลือบน้ำตาลเราคิดว่าจะเป็นหวานไปทั้งลูกพออมไปสักเดียวเดียวผิวน้ำตาลที่มันเครือบมันละลายหมด นี่ก็เหลือแต่ยาขมให้เราอมกันไม่ได้เป็นน้ำตาลทั้งลูกไม่ได้เป็นน้ำรสหวานทั้งลูกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นรสขมสิ่งต่างๆที่เราหากันอยู่ในขณะนี้ในชีวิตของเรานี้มีอยู่สี่อย่างด้วยกันคือรากยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายเราหากันเวลาเราหาได้เราก็สุขกันเวลาหาไม่ได้เราก็ทุกข์กันเวลาเราได้มาแล้วแล้วมันจากเราไปเราก็ทุกข์กันเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องมีการจัดพัดพากจากกันมันไม่ถาวร มันเกิดแล้วดับจะเริ่นแล้วเสื่อมขึ้นแล้วลงมาแล้วไปได้แล้วก็ต้องเสียนี่คือความจริงที่เราไม่ไม่มองกันหรือมองไม่เห็นกันเราไปมองว่าได้แล้วจะไม่เสียมาแล้วจะไม่ไปจะอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อย จะรอนอย่างเรียวไม่มีเสื่อมที่พอไปเจอความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดตอนนี้เสียงทาง YouTube หร <YouTube, S 1> ือเ b o o k YouTube ครับอทบเปลี่ยนสายอยู่ครับท่านทางบ้านก็ใจเย็นๆหน่อยนี่ก็ไม่เที่ยงเห็นนี่ก็ทุกข์แล้วคนฟังก็ทุกข์แล้วเวลาเสียงมาก็สุขอพอเสียงหายไปก็ทุกข์ อยากจะฟังก็ฟังไม่ได้ก็แก้ไปแก้ได้ก็แก้ไ ป, แ ก, ไก แ, กไปแก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอย่าทุกข์กับมัน <c oughs> เราเราสามารถอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ทุกข์คือเราต้องพร้อมที่จะให้มันไปพร้อมที่จะให้มันเสื่อมพร้อมที่จะให้มันดับ ถ้าเราพร้อมแล้วเราก็อยู่กับมันได้แต่ถ้าเราไม่พร้อมเราอยากจะให้มันอยู่กับเราอย่างเดียวอยากให้เจริญอย่างเดียวอยากให้มาอย่างเดียวเวลามันไม่ได้เป็นตามที่เราอยากมันก็จะทำให้เราทุกข์กันนี่แหละคือสิ่งที่ทาให้เราทุกข์กันเพราะมันไม่ถาวรมันไม่แน่นอน มันเป็นของชั่วคราวพระพุทธเจ้าบอกให้เรามาหาของที่แน่นอนของที่ถาวรความสุขที่ถาวรกันดีกว่าความสุขที่ถาวรก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วเราจะได้ความสุขอีกอย่างอีกแบบหนึง่งความสุขแบบนี้เรารักษาได้เราสั่งได้ เราห้ามไม่ให้มันจากเราได้ถ้าเรามีเครื่องมือเครื่องมือที่จะรักษาความสุขความสงบให้มันอยู่กับเราไปตลอดก็คือสติกับปัญญาสองอันนี้ถ้ามีสติก็ต้องถ้ามีสติอย่างเดียวก็ต้องใช้สติไปเรื่อยๆเวลาสติหายไปความสุขก็หายได้ แต่ถ้ามีปัญญานี่มันจะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้อยู่ไปอย่างตลอดไม่มีวันหมดไม่มีวันจากเราไปแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆดีกว่าความสุขที่เราได้จากลาบยศสันละเสือ อันนี้คือสิ่งความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามเพราะไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่เป็นของเรานิจจังสุขขังอัตตาคือความสุขที่ถาวรนี่มันถาวรมันจึงนิจจังมันเป็นของเราเพราะมันไม่จากเราไป มันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจึงไม่เป็นทุกข์ถ้าไหนเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวมันก็ต้องจากเราไปถ้ามันจากเรามันก็เป็นของเราไม่ได้มันก็จะทำให้เราทุกข์ในเวลาที่มันจากเราไปตอนนี้พวกเราทุกคนในโลกนี้ไม่รู้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ ทาวนลความสุขที่เป็นของเรานี่อยู่ในใจของเรานี่เองเราถูกความหลงความไม่รู้หลอกให้เราไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์กันหลอกให้เราไปหาเงินทองพอได้เงินทองมาก็ดีใจใช้กันพอหมดก็เสียใจเดือดร้อน คือวิธีหาความสุขของโลกเราเป็นความสุขต้นแต่ทุกปลายมีความทุกข์ตามมาก็าจะได้สุขปั๊บแล้เดี๋ยวพอเงินหมดก็ทุกข์พอได้ตําแหน่งมาก็ดีใจพอพ้นจากตําแหน่งไปก็เสียใจพอคนุกยย่องสรรเสริญก็ดีใจพอเขาไม่สรรเสริญก็เสียใจ พอเขาตัณห์ติเตียนก็เสียใจได้ดูได้ฟังอะไรได้ลิมรถลิ้มกลิ่นได้ดื่มได้รับประทานอะไรก็มีความสุขพอไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็ทุกข์กันนี่คือความสุขที่พวกเราหากันอยู่จะต้องจบลงไปได้ด้วยความทุกข์เสมอ เพราะครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขเหล่านี้ก็คือร่างกายของเราตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็ต้องเสื่อมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นโ ย, ยมเดินมาถวายของมเนี่ยมันร่างกายมันต้องเสื่อมของเราทุกคนตอนนี้แข็งแรงตอนนี้ตาดีหู ด, ดีจมูกดีลิ้นดีฟันดีหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันได้ เดี๋ยวต่อไปพอมันแก่มันก็เสื่อมตาก็มองไม่เห็นต้องใส่แว่นบางทีต้องไปลอกออลอกอะไรที่มันปิดตาไว้ต่อต้เห็นต้ออะไรต่างๆนี่แหละตาหูจะหนวกริ้นกายมันก็เสื่อมหูก็เริ่มหนวกฟังไม่ค่อยได้ยินเสียงนี่เขาต้องตะกนใส่หูถึงจะได้ยิน หูเริ่มงหนวกอันนี้ก็จะทำให้เราทุกข์กันต้องพาร่างกายไปหาหมออยู่เรื่อยๆแล้วจะใช้ตาหูจมูกเน้นกายก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนบางทีก็ไม่สบายต้องนอนบนเตียงหาความสุขไม่ได้ ถ้าเกิดร่างกายพิกลพิการไปเป็นอมันอมตะกรรมภาตไปก็ยิ่งทรมานใหญ่ที่มันทรมานเพราะมันหาความสุขไม่ได้แต่คนที่มีความสุขในใจนี้ไม่ทรมานเพราะเขามีความสุขเขาหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเขาใช้สติใช้ปัญญาสองตัวนี้พอพุโทโธพุโทโธ ดูระบหาย ใ, ใจเข้าออกนอนบนเตียงนอนบนเตียงนอยโรงพยาบาลก็ยังทำสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ถ้ามีปัญญาก็ใจก็จะสงบโดยอัตโนมัติปัญญาจะเป็นผู้คอยกำจัดสิ่งที่จะมาทำลายหรือทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจทุกข์ สิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความหลงความหลงที่อยากไม่มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากสิ่งต่างๆถ้ามีปัญญาปัญญาก็หยุดความอยาก ร, ารู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์พอไม่ได้มีความอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ถึงแม้จะเป็นอมาอม า, าพุกกรามภาสนอนในโรงพยาบาลก็ไม่ทุกข์เพราะไม่มีความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกเิ็นกายไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายมันเสียก็ก็เสียไปแต่ใจก็ยังมีความสุขได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้จักกัน พวกเราโชคดีที่เราได้มาเกิดในเมืองพุทธศาสนาที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรามาหาความสุขที่แท้จริงกันให้เราเลิกหาความสุขปลอมกันความสุขปลอมก็คือความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์พอมันมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราว เวลาเสียความสุขที่ไปไมื่อไม่สามารถหาความสุขไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกข์กันเราควรที่จะมาฝึกสติกันเพื่อที่จะทําให้ใจเราสงบใจเราถ้าไม่มีสตินี่มันไม่สงบสงบเองไม่ได้มันเหมือนกับรถที่วิ่งถ้าไม่มีเบรคมันหยุดเองไม่ได้ถ้าจะให้รถหยุดนี่ต้องมีเบรกต้องเหยียบเบรค รถถึงจะหยุดใจของเราก็วิ่งวิ่งด้วยความคิดคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาคิดตั้งแต่ก่อนตื่นเวลานอนก็คิดเวลาเราฝันนี่มันก็เป็นความคิดนความฝันนมันมาจากความคิดใจเราคิดไปในเวลาที่เราหลับมันก็เลยเป็นความฝันขึ้นมาเวลาเราตื่นเราก็ฝันต่อฝันแบบลืมตา พอใจแล้วก็ยังคิดต่อคิดอยากไปที่นั่นคิดอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากเห็นคนนั้นเห็นคนนี้อยากเจอสิ่งนั้นเจอเจอสิ่งนี้ก็เรียกเพอ้อฝันความเพอ้อฝันก็เกิดจากความคิดของเราคิดแล้วก็ทําให้อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีคิดแล้วก็อยากได้พออยากได้ใจก็ไม่ ไม่เป็นปกติใจก็เริ่มกระวลกระวายกระสับกระส่ายหงุดหงิดลำคานใจก็เลยต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาเพื่อที่จะทำให้ความหงุดหงิดลำคานใจหายไปก็เลยคิดว่าเป็นความสุขพออยากได้อะไรก็ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้พอได้มาความหงุดหงิดลำคานใจก็หายไป ก็เลยรู้สึกว่าสุขขึ้นมาความจริงมันไม่ได้สุขหรอกมันมันดับความกังวลกังวายกระสับกระส่ายความญหงุดหงิดลาคาญใจที่เกิดจากความอยากนี่ถ้าไม่มีความอยากตอนนี้ก็ไม่มีความญหญุดหงิดําคางใจสบายเอยตอนนี้ไม่มีความอยากก็กังวลกังวายกระสับกระส่ายไหเฉยเฉยแต่พอเกิดความอยากขึ้นมานี่เริ่มแล้ว เริ่มกระวนกวายกระสับกระสายหงุดหงิดลำคาญใจก็เลยต้องไปทําตามความอยากพอได้ทําเสร็จแล้วความหมงุดหงิดถึงหายไปแต่หายไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากก็มาอีกเพราะยังคิดต่อเดี๋ยวคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงรูปเสีย ง, งกลิ่นแล้วก็อยากได้กนันเราต้องใช้สติมาหยุดความ อยากเหลนี้หยุดความคิดถ้าเรามีสติเราสั่งให้หยุดคิดได้ถ้าเราสั่งให้มันหยุดคิดไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่มีสติถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือบ ร, ร, ริกรรมพุโทโธพุทโธไปถ้าเราบ ร, ริกรรมพุทโธอยู่กับพุโทโธเราก็จะไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ คนนั้นคนนี้ไม่ได้พอเราไม่คิดเราก็จะไม่อยากพอไม่อยากใจเราก็จะไม่กังวลกังวายไม่กระสับกระส่ายใจเราก็มีความสุขนี่แหละไม่ต้องไปมีอะไรที่มีกันก็เพราะอยากกันถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องมีแต่ถ้าเวลาที่เราไม่ ไม่ใช่สติปล่อยให้คิดเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่พราะความอยากมันไม่ได้ตายอย่างถาวรด้วยกําลังของสติสติเพียงแต่เบรกมันไว้ถ้าอยากจะให้มันหยุดอย่างถาวรต้องดับเครื่องเอารถที่มันวิ่งถ้ามันยังวิ่งถ้าเหยียบเบรกมันก็หยุดพอปล่อยเบรกมันก็วิ่งได้ต่อ ถ้าอยากจะให้มันไม่วิ่งก็ต้องดับเครื่องนะถ้าอยากจะให้ความอยากาหายไปก็ต้องใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาให้เห็นว่าความวุ่นวายกระสับกระสายวนหงุหดหงิดลำคาญใจนี้ไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเกิดจากความอยากของเราเนี่เองและการแก้ความหมงุดหงิดความลำคาญใจไม่ได้แก้ด้วยการไปทําตามความอยาก แต่แก้ด้วยการไม่ทำตามความอยากอยากไปทำมันตอนนั้นก็ต้องทุกหน่อยมันทรมานเพราะความอยากมันยังไม่หยุดแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันเดี๋ยวมันหมดกำลังพอหมดกำลังแล้วมันก็หยุดพอหยุดแล้วความกังวลก็วายความหงุดหงิดต่างๆก็จะหายไปแล้วมันจะหายแบบถาวร พรความอยากตัวนี้มันจะไม่กลับมาอีกแต่ยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ไม่ได้จะกําจัดมันเช่นตัวอยากกาแฟนี้ถ้าเราไม่ดื่มกาแฟเนี่ยมันให้ปล่อยให้มันอยากไปเดี๋ยวมันหมดฤทธิ์มันก็จะหายอยากแล้วต่อไปความอยากดื่มกาแฟก็ไม่มีแต่ถ้ายังมีความอยากดื่มสุราอยู่มันก็ยังมีอยู่เพราะเรายังไม่ได้กําจัดมันเราก็ต้องกําจัดวิธีเดียวกัน พออยากจะเดิมสุราเราก็อย่าไปทำมันเดี๋ยวมันก็หมดฤทธิ์พออยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบมันเดี๋ยวมันก็หมดฤทธิ์พออยากจะไปช้อปปิ้งก็อย่าไปช้อปปิ้งเดี๋ยวมันก็หมดฤทธิ์ที่เราไม่มีกำลังสู้กับความอยากเพราะเราไม่มีสติ เป็นคือคตัวสนับสนุนพออยากนี่ใจมันสัน่นถ้าเราใช้สติหยุดมันได้มันก็หายสั่นได้เราใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปสังพระยากนี่มันก็จะหายสั่นได้ดั้เราต้องมีสติสนับสนุนปัญญาปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีสตินี่สู้ไม่ได้ถึงแม่บอกถึงแม่จะรู้ว่า การทำตามความอยากไม่ดีแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีกำลังที่จะสู้กับมันเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวแต่ถ้ามีสติพอมันจะทรมานก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความทรมานก็หายไปแล้วความอยากก็จะหายไปทุกครั้งที่อยากก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อย นลับลองได้มาต่อไปจะหายอยากพอหายอยากแล้วก็ไม่ต้องวกวลกรวายไม่ต้องหงุดหงิดกับความอยากแบบนั้นอยากเที่ยวก็ไม่มีไม่หงุดหงิดเพราะไม่มีความอยากเที่ยวอยากชอปปิ้งก็ไม่มีไม่มีความอยากแล้วความหงุดหงิดก็ไม่มีอยากมีแฟนอนกันพอพอหยุดมันได้มันก็จะหายไป วิธีที่ยาหยุดมีแฟนต้องเห็นร่างกายของแฟนที่ที่ไม่ที่ไม่น่าดูดูส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายถ้าดูดูตอนที่เขาตายไปแล้วนี่เราอยากจะได้เขามาเป็นแฟนไหมร่างกายพอไม่มีลมหายใจแล้วไม่สวยงามแล้วไม่น่าดูแล หรือถ้าเวลายังไม่ตายก็ดูเข้าไปข้างในก็ได้ดูเข้าไปใต้ผิวหนังใต้ผิวหน้าเรามีอะไรเราเห็นใต้ผิวหน้ากันหรือเปล่ามีอะไรกระโหลกศีรษะเห็นแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่คิดกันถ้าเราคิดบ่อยๆตอนเราก็จะเห็น ปัญญานี่สามารถเห็นทะลุผิวหนังได้แต่ตาเนื้อนี่มองยังไงก็ไม่ทะลุแต่ถ้าใช้ตาปัญญาตาในเกาเรียกว่าปัญญานี่คือตาในให้เราล ะ, ละลืกถึงกะโหลกศรีรษะอยู่เรื่อยๆเรา ล, ลืกถึงผิวหนังที่หุ้มออกกะโหลกศรีรษะแยกมันออกเป็นชิ้นส่วนกันเป็นสองชิ้นผิวหนังนี่เป็นเหมือนกับ คัวโขนเป็นเหมือนกับตัวก็เลอะไรที่ครอบครอบกอโหลกอีกทีหนึง่งหน้ากากหน้ากากทําด้วยผิวหนังกับเนื้อสมัยนี้เขาก็มีหน้ากากยางบางทีเขาจะแปลงหน้าเขาก็เอาหน้ากากยางมาหุ้มอีกทีนึง่งก็กลายเป็นคนหนึ่งไป ถ้าเราสามารถถอดหน้ากากผิวหนังได้เราก็จะเห็นกระโหลกศีรษะที่อยู่ใต้ผิวหน้านี่ถ้าเห็นแล้วเราก็จะไม่มีความอยากจะได้เขามาเป็นแฟนนะแต่เราไม่เห็นกันเห็นแต่ผิวหน้าเห็นแต่คิ้วเห็นแต่ตาเห็นแต่จมูกเห็นแต่ปากนค่นี้ก็หลงไหลข้างไครนะ้แล้ว อยากจะได้เขามาเป็นแฟนเราต้องใช้ปัญญาต้องดูสภาพของร่างกายในลักษณะต่างๆเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวดูก็น่าดูพอเวลาแก่หนังเหี่ยวน่าดูผมขาวงอก ่ได้นึกถึงสภาพของส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายนี่เฉพาะผิวหน้านะถ้าแกะผิวของร่างกายแยกออกมาได้ยิ่งเห็นอะไรเยอะแยะเลย mm hmm. เห็นหัวใจ mm hmm. เห็นปอด mm hmm. เห็นไต mm hmm. เห็นลำไส้เนี่ยอยู่ในร่างกายของเรา mm hmm. เห็นโครงกระดูก กลัวผีกันแต่อยู่กับผีมาตั้งแต่เกิดไม่กลัวพอเห็นผีข้างนอกกลัวพอไปเห็นโครงกระดูกที่ไหนนี่ใจไม่ค่อยดีแล้วแต่อยู่กับมันมาตลอดเวลาไม่กลัวมันเพราะมองไม่เห็นมันไม่เคยมองกันไม่มีใครสอนให้มองกันพอแม่เคยสอนให้เรามองโครงกระดูกของเราไหมตั้งแต่เกิดมา พ่อแม่เคยสอนให้เราดูกระโหลกศีรษะตราบ้างหรือเปล่ยไม่มีใครสอนมีแต่สอนให้ดูแต่ผิวหนังผิวขึ้นเม็ดเล็ก็รีบหายามาฝ้าขึ้นมาหน่อยก็หาวิธีกำจัดมันหนังมันเหี่ยวหน่อยตีนกามันโผล่ขึ้นมาหน่อยก็ต้องไปกำจัดมันเนี่ยทาแต่ผิวอย่างเดียว เห็นแต่ผิวอย่างเดียวหนุงหลายข้างใครกับผิวกับหนังผิวหนังเรากำลังดูหนังกันด้วยที่เจอกันทุกวันนี้ไม่เจออะไรเจอหนังเห็นแต่หนังมองไปทั้งตัวนี่มีหนังหุ้มหอ่อสุดรอบตั้งแต่สีสษะจะลดลงไปถึงเท้ามีแต่หนังทั้งนั้นใช่ไหม มีแต่ผิวหนังเวลาเรามองเรามองไม่เห็นผิวหนังเรากลับไปมองเห็นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายกนางขอไม่ได้เห็นผิวหนังเลยไม่ได้เห็นโครงกระดูกที่ผิวหนังนี้หุ้มห่ออยู่ก็ผิวหนังนี้ก็เป็นเหมือนกับกระเป๋ากระเป๋าหนังเคยเห็นไหมผิวหนังที่หุ้มห่อร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกระเป๋า แล้วของที่อยู่ในกระเป๋าก็คืออวัยวะต่างๆตั้งแต่กระโหลกศีรษะโคมกระดูกต่างๆอวัยวะต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนของที่เก็บไว้ในกระเป๋าหนังของเราเนี่ยหัดมองอย่างนี้ดูถ้าเห็นร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วมันจะจะไม่มีความรู้สึกอยากจะได้มาเป็นแฟน ถ้าถ้าร่างกายนี้ไม่มีโครงกระดูกนี่มันจะเป็นยังไงรูป้ปะมันก็จะเป็นเหมือนอะไรแมงกัะพุนไงไงแมงกะพุนไนหะนอนราบกับพื้นเนะี่ยเวาจะคุยกันก็พอเนี่ยโครงกระดูกมันทำให้เรายืนได้ทำให้เรามีรูปมีร่างมีสัตว์มีส่วน ถ้าเราไม่มีโครงกระดูกนี้เราก็ไม่ต่างจากแมง ก, กระพุนนะแ็นแมงกระพุนมันมีกระดูกไหไม่มีเนี่ยเราไม่ใช้ปัญญาคิดกันถ้าคิดแล้วมันจะได้ไม่หลงหลข้างใครกับร่างกายของคนอื่นจะไม่อยากมีแฟนจะไม่อยากมีสามีภรรยา อยู่คนเดียวสบายกว่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงกันไม่ต้องหวงกันไม่ต้องพัดภาคจากกันถ้ามีแล้วก็ต้องหวงใช่ไหมหวงแล้วก็ต้องหวงแล้วก็ต้องพัดภาคจากกันเพราะร่างกายมันก็มีอายุไขเดี๋ยวในที่สุดมันก็ต้องไปป่าช้าไปไปเมรกัน ร่างกายเราจองตั๋วไว้แล้วดาจองตั๋วไว้ที่เมนจองศาลาไว้นะเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็พาขึ้นศาลาให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะตรงกันแล้วเราก็จะจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปพอเลี้มันไปให้มันอยู่ได้วันๆหนึ่งก็พอแล้ว เราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆไม่ต้องมาวุ่นวายกับลาบยศ ส, สรเสิเพราะเดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้มาวุ่นวายกับการมาหาความสงบดีกว่ามาเอาเวลามาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติกันดีกว่าที่เ็เดินจงกรมนั่งสมาธิก็กำลัง จะล่นสติกันร่างกายเดินหรือนั่งแต่ใจเขาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยใจเขาคอยควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดเพราะถ้าเผลอคิดแล้วเดี๋ยวมันอยากพออยากแล้วมันหยุดเหงียด น, นำคาญใจนั่นเดี๋ยวมันก็ต้องไปทําตามความอยากแต่ ถ, ถ้ามีพุโทโธมีพุโทโธหยุดมันไปเดี๋ยวความหยุดเหงียก็หายไปความอยากก็หายไป ก็ไม่มีความกดดันก็อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเดิ่มอะไรไม่ต้องกินอะไรกินก็เฉพาะเวลาจําเป็นเวลาที่กําหนดให้กินเหมือนกินยาอาหารนี่เป็นเหมือนยาเราเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายให้อยู่เราก็ต้องมีอาหารในร่างกายกิน เหมือนกับเวลาร่างกายไม่สบายเราก็มียาให้ร่างกายกินแต่เราไม่กินพิ่มเพื่อเราไม่กินยาแบบพร่มเพื่อไม่ได้กินยาด้วยความอยากเรากินด้วยความจำเป็นกินตามเวลาที่ต้องกินเท่านั้นเองสำหรับร่างกายมีเท่านี้นสำหรับใจก็หยุดมันยาให้มันคิดแล้วเราจะไม่ต้องไปทำตามความอยากต่าง เพราะเมื่อมันไม่คิดมันก็ไปอยากไม่ได้หรือถ้ามันจะคิดได้มันคิดแบบไม่อยากคิดแบบร่างคิดแบบร่างกายเนี่ยดูร่างกายดูแบบที่มันเห็นแล้วไม่อยากได้มันเราไม่อยากได้ร่างกายตอนไหนตอนที่เขาเป็นศพใช่ไหมตอนที่เขาชำละออกมาให้เราดูดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกาย ในเวลาเขาเอากระโหลกออกมาแขวนให้เราดูเรายังอยากได้เขา่ะถ้าคิดแบบนี้คิดดูในส่วนที่ไม่น่าดูไ ม, ไม่น่ารักมันก็จะทําให้เราไม่อยากได้คิดถึงเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาเวลาเสียไปนี่มันทุกข์ ถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะเสียก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยถ้ามีก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีถ้าไม่มีก็ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่มีแล้วอยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่แบบไม่มีราบยุดสรรเสริญอยู่แบบไม่มีรูปเสียงกิรถลดีกว่าจะอยู่แบบนี้ได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิด แล้วก็ต้องมีปัญญาสอนให้คิดไปในทางที่จะทําให้อยากไม่มีอะไรเพราะความไม่มีอะไรนี้แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งใครฟังคําว่านิบบานังปรามังสุญญ์ไหมสุญญงก็แปลว่าไม่มีสุญญ์เนี่ยสุนญ์นก็ไม่มีถ้าเราไม่มีอะไรนี้จะเราจะได้พบกับความสุขที่เป็นปรามังสุขขังนิบบานังปรมังสุขขังขึ้นมา ปรมังสุญยังคือปรมังสุขถังการไม่มีอะไรเนี่ยก็จะเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้ามีอะไรปุ๊บนี่มันก็จะมีทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะสิ่งที่มีนี่มันเดี๋ยวมันต้องเสื่อมมันต้องหมดพอมันเสื่อมมันหมดก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรเสื่อมไม่มีลาบมันก็จะไม่มีการเสื่อมลาบ ไม่มียศก็จะไม่มีการเสืยย่อมยศน่ญาติโยมไม่ได้เป็นทาหารไม่ได้เป็นตำรวจไม่มียศไม่วุ่นวายเหมือนกับพวกทหานนรตำรวจเขาใช่ไหมทหานนรตำรวจนี่พอถึงเวลาเลื่อนขั้นเลื่อนยศกันแต่ละปีนี่วุ่นวายไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับจ้องดูว่าปีนี้จะได้เรื่องหรือเปล่า<ม>จากในสิบตีก็อยากจะเป็นสิบโทร้อยตีก็อยากจะเป็น100ร้อยโทพันตีก็อยากจะเป็นพันโท คนตีก็อยากจะเป็นคนโทเนี่ยเขาทุกข์กันละพวกที่มียศเขาก็ทุกข์กันละแต่พวกที่ไม่มียศก็ไม่ทุกข์เนี่ยสบายฉนั้นอย่าไปมีสิ่งเหล่านี้าการจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องหยุดความคิดหรือสอนให้คิดให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์กันไม่ได้เป็นสุขกัน ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราสั่งมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปก็ห้ามมันไม่ได้อย่น้อย่าไปมีสิ่งที่เราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เพราะมันจะทําให้เราทุกข์เนี่ยตอนนี้เราก็พยายามสั่งพยายามห้ามกั น, นก็พอห้ามได้สั่งได้ แต่พอถึงเวลาห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ก็ทุกข์กันเช่นร่างกายเราตอนนี้พอจะสั่งได้สั่งให้มันไม่หิวได้เวลาไม่หิวก็เอาข้าวมันกินได้สั่งให้มันเจ็บไม่ให้เจ็บไขยได้ป่วยตอนนี้ก็พอสั่งได้แต่พอถึงเวลามันจะเจ็บขึ้นมาก็สั่งไม่ได้นะพอมันเจ็บขึ้นมาสั่งให้มันไม่เจ็บมันก็ทุกข์ลว พอมันเจ็บแล้วอยากจะให้มันหายสั่งให้มันหายก็ไม่ได้มันก็ไม่หาย ก, ก็ทุกข์อีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเราสั่งได้บางครั้งบางเวลาแต่บางครั้งบางเวลานี่เราจะสั่งไม่ได้พอเราสั่งไม่ได้เวลานั้นเราก็จะทุกข์กันสั่งให้แฟนอยู่กับเราเนี่ยเวลาก็บางทีก็สั่งได้ พอวันนี้คืนดีแฟนอยากจะไปขึ้นมาสั่งไงก็สั่งไม่อยู่สั่งไม่ได้เขาจะไปอย่างเดียวอ้ามเขาไม่ได้เขาก็จะไปเป็นยังไงทุกข์ไหมนั่นแหะนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมีอะไรต่างๆยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากเพราะต้องรักมากหวงมากข่วงมากทุกข์มากเพราะจะต้องมีการพลาดพลาดจากกัน มากมีน้อยก็พัดภาคกันน้อยไม่มีก็ไม่มีการพัดภาคเลยไม่มีทุกเลยพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เราเป็นนิบบานังพลมังศูนยอย่างกันทำใจให้เราว่างไม่มีอะไรไม่มีสมบัติอะไรในใจเราเลยใจเราไม่มีสมบัติไม่ยึดไม่ติดไม่ถืออะไรเป็นของเราเลยถ้าเราไม่ยึดไม่ติดไม่ถืออะไรเป็นของเรามันจะมาจะไปเราไม่เดือดร้อน มันจะเจริญจะเสริมเราไม่เดือดร้อนใช่ไหของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราเดือดร้อนไเวลาบ้านคนอื่นก็ไหมเราเดือดร้อนไหมเวลาก็ถูกป้อนถูกจี้เราเดือดร้อนไเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราแต่ถ้าเป็นของเราขึ้นมานี่เป็นยไงเพียงแต่คิดแค่นี้ก็เดือดร้อนนะคิดถึงบ้านตอนนี้ถ้าสมมติบ้านกำลังไฟไหมนมาคิดแค่นี้เดือดร้อน ลืมปิดลืมปิดน้ำปิดไฟลืมปิดเตาแก๊สทีนี้โอ้องรีบขับไปนั้นเนี่ยถ้าเป็นของเราใช่ไหมทุกแล้วพออะไรเป็นของเรามันก็ทุกขึ้นมา ท, าทันทีพอไม่เป็นของเราก็ไม่ทุกนั้นเพราะทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นของเราอยู่ดีแต่เราไปบ้าคิดว่าเป็นของเราเอง ไหลงคิดว่าเป็นของเรามันก็เลยทําให้เราทุกข์เพรเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปทั้งหมดร่างกายเรานี้มันเป็นของเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปนี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเรากําลังหากันไม่ได้หาความสุขหรอกหาความทุกข์กัน ได้อะไรมาแล้วก็ต้องทุกสิ่งที่เราได้มาถ้าไม่มีก็ไม่ทุกข์ยิ่งอยากไปมีอะไรดีกว่าทีทีทท่มันยังไม่มีอะไรไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีมันก็ทุกข์เพราะมันยังมีความอยากได้อยู่แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ปั๊บมันก็จะไม่มีอะไรให้เราทุกข์นั้นเราต้องมาหยุดความอยากอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากให้มันอยู่กับเราอยากให้มันไม่จากเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้จะหยุดได้ก็ต้องหยุดความคิดอยากไปคิดถึงสิ่งต่างๆแล้วความอยากได้มันก็จะหยุดไปชั่วคราวแล้วก็ให้มาคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้ น, นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะมันจะเปลี่ยนไป เวลาได้แฟนใหม่มามาใหม่ดีไหมดีทุกอย่างเลยเอาอกเอาใจเราชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้าแต่พออยู่กันไปนสักรักหนึ่ง ช, ชี้นกก็ไม่เป็นนกแล้วตอนนั้นก็ทุกข์ละพอสั่งให้ไปหยิบอะไร ห, หน่อยไม่ไปและใหม่ๆนี่สั่งให้ไปหยิบอะไรหยิบให้หมดเลยว่านอนสอนง่าย แต่พออยู่กันไปสักพักแล้วพอเริ่มเบื่อเราแล้ ว, ลวทีนี้ไม่ไม่สนใจเราแล้ะเราจะสั่งให้เขาก็พามันหูตึงไปละนี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราอถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะให้ความสุขกับเราแต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วความสุขที่มันให้กับเราก็หายไปแล้ะ นี่ก็จะเหลือแต่ความทุกข์เท่านั้นนี่คือวิธีที่จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ขั้นต้นต้องหยุดความคิดก่อนเพราะถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เราจะสั่งให้มันไปคิดอีกทางหนึ่งไม่ได้มันจะคิดว่าดีอย่างเดียวจะคิดว่าสุขอย่างเดียวแต่ถ้าเราหยุดความคิดนี่ได้แล้วเราก็จะสั่งให้มันคิดว่ามันสุขจริงหรือเปล่าเมื่อมันทุกข์กันแน่ มันเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอมันถาวรหรือไม่ถาวรถ้าเราไม่หยุดความคิดเก่าเราจะไม่สามารถคิดแบบใหม่ได้เหมือนกับเราขับรถเนี่ยถ้าเราไปผิดทางเราจะต้องกลับรถเนี่ยเราก็ต้องหยุดรถก่อนเราก็ยูเทิร์นถึงจะกลับรถได้เราก็ต้องหยุดความคิดที่ไปคิดคิดไปในทางที่ผิดก่อน คิดว่าลาบยศสรรเสริญดีคิดว่ารูปเสียงกลิน่นยศดีคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขคิดผิดเพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่มันไม่ได้สุขตลอดเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันหมดไปเดี๋ยวมันเสื่อมไปมันไม่คิดแบบนี้เราต้องหยุดคิดแบบเก่าแล้วก็ให้มาคิดแบบใหม่พออยากจะได้อะไรก็บอกว่ามันเดี๋ยวเสื่อมนะ เดี๋ยวมันทุกข์นะเดี๋ยวมันต้องจากเราไปนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปนะให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่อยากแล้วมันก็จะได้อยู่เฉยๆได้อยู่แบบไม่มีอะไรได้ถ้าใจไม่มีความอยากแล้วอยู่เฉยๆกับมีความสุขกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรกับมีความสุขกว่าเราจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะความอยากทั้งนั้นเอง พอไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะสบายดัง <Yeah. S 1> นันเวลาเกิดความอยากก็ต้องคิดไปในทางที่จะทําให้มันหยุดความอยากก็คิดว่ามันเป็นทุกข์นะสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันเสื่อมนะมันเสียนะ่ะได้มาแล้วเดี๋ยวมันเสียนะ่ะเคเห็นคนที่ซื้อรถมาแล้วต้องเอามาทุบต่อหน้ารถร้านขายรถเลยอันนั้นสูงก็ทุกข์อ่ะ เวลาเห็นรถก็อยากจะซื้อใช่เพราะคิดว่าซื้อแล้วจะวิ่งไปไหนมาไหนได้ใช้ได้ดีไปตลอดนะพอซื้อมาสักไม่กี่วันเสียละเข้าอู่ไม่กี่วันออกมาเสียอีกละจนกระทั่งทายังไงมันก็ยังเสียอยู่นั่นนะขอเปลี่ยนรถใหม่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ก็เลยมันต้องมาทุบต่อหน้าหน้าร้านขายรถนั่นนะเป็นข่าวใหญ่นะใช่อย่างนั้นโศกรทุกข์อ่ะ นั่นแหละทุกเพราะมันไม่แน่นอนสุขที่เราได้มันไม่แน่นอนมันอาจจะหมดได้อย่างรวดเร็วสําหรับพวกที่ไม่ทุกข์ก็เพราะว่ามันหมดช้าหน่อยพวกที่ซื้อรถมาแล้วไม่เสียวิ่งไปได้เรื่อยๆหรือเสียก็ซ่อมหอนเดียวก็หายอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ยังพอรับกับความทุกข์ได้คือทุกไป ม, มาก ทุกในช่วงที่มันเสียก็เอาไปซ่อมหน่อยซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็วิ่งได้ใหม่ต่อแต่แล้วเกิดจอดอยู่ดีๆหายไปขโมยเอาไปเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแต่ถ้าไม่ทุกข์ไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยการเสียประกันอกีกซื้อประกันก็ทุกข์อีกอะต้องเสียเงินซื้อประกันอกีกงั้นมันหนีไม่พ้นความทุกข์หรอกถ้าเราไปยุ่งกับของต่างๆสิ่งของต่างๆถ้าเราอยากจะหนีจากความทุกข์เราต้องไม่มีอะไร แ้วไม่มีอะไรแล้วไม่ทุกไม่มีรถล้วก็รับรองไะไม่ต้องมาเอารถมาทุบที่หน้าร้านขายรถไม่ต้องเอาเข้าอู่ไม่ต้องกลัวเวลาจอดแล้วรถมันจะหายไปไหนหายหรือไม่หายเพราะไม่มีรถจะหายขึ้นรถเมย์ดีกว่าขึ้นแท็กซี่ดีกว่าสบายจ่ายค่ารถปั๊บเดียวจอดไปถึงที่ก็จ่ายค่ารถไม่ต้องหาที่จอดรถด้วยไม่ต้องจ่ายค่าที่จอดรถอีก คิดไม่เป็นกันชาติคิดหาความทุกข์กันโอคิดว่าเป็นความสุขกันโอ้มีร้อนรัศบายอยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะจอดที่ไหนก็จอดได้แต่ที่ไหนได้มีแต่ความทุกข์ตามมาเยอะแยะไปหมดเนีย่ยคิดไม่เป็นกันหัดคิดหัดคิดไปในทางความทุกข์กันอย่าไปคิดในทางความสุขกันของทุกอย่างมันมีสองด้านเข้าใจเหมือนเหรียญอะ เหรียญมันมีหัวมีก้อยแต่เราชอบไปดูแต่หัวอย่างเดียวไม่ไม่ยอมมองก้อยเลยก็เลยคิดว่าเหรียญมีสองดะมีมีมีหัวทั้งสองด้านแต่ความจริงมันมีหัวมีก้อยของทุกอย่างก็มีสุขมีทุกข์เราชอบไปมองด้านสุขกันพอด้านทุกข์มันโผล่ขึ้นมาก็รับไม่ได้ทุกข์กันใหญ่นั้นเราต้องหัดมองด้านทุกข์กันอย่าไปมองด้านสุขกันถ้ามองเห็นทุกข์แล้วเราจะไม่อยากได้ทันที ถ้าเห็นเครื่องดื่มเป็นยาพิษเราจะซื้อมาเดื่มไหม เ, ออเดี๋ยวถ้าเกิดใครเข้าไปวิจัยพบว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ดื่มแล้วเป็นมะเร็งนี่ขายไม่ได้นะใช่ไมไม่มีใครอยากจะซื้อแล้ะนี่คือวิธีที่จะทําให้เราพ้นทุกข์กันเราต้องคิดมองให้เห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ที่เราคิดว่าเป็นสุขกัน มันมีทั้งสองด้านทุกอย่างมันมามีมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ส่วนใหญ่เราจะได้สุขกันตอนต้นมันก็เลยคิดว่าเป็นสุขกันพอเวลาทุกข์เราก็เราก็ทรมานเดี๋ยวสักพักเราก็ลืมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาใหม่อีกเพราะเราทนอยู่เฉยๆทนสู้กับความอยากไม่ได้เพราะเราคิดไม่เป็นมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้กัน ทั้งๆ ท, ที่สิ่งนี้ให้ความทุกข์กับเรานะี้เดี๋ยวพอผ่าระยะเวลาผ่านไปหน่อยก็ลืมอะ่ะเช่นแฟนทิ้งไปเนี่ยเลิกกับแฟนไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็ลืมความทุกข์จากการที่แฟนทิ้งเราไปแล้วเดี๋ยวก็อยากมีแฟนใหม่ก็เพราะลืมไปละเพราะว่ามันมันยังมีความอยากมีแฟนอยู่ความอยากมีแฟนนี้มันไม่หายไปกับการเสียแฟนไปเข้าใจเสียแฟนไปแต่ความอยากมีแฟนยังไม่เสีย ถึงแม้จะทุกข์กับการเสียแฟนไปเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะมีแฟนใหม่เพราะมันคิดว่ามีแฟนใหม่แล้วก็จะมีความสุขแต่มันไม่คิดว่าเดี๋ยวแฟนใหม่ทิ้งเราอีกจะทํำยังไงเนี่ยมันไม่คิดอย่างนี้กันมันถึงต้องมีแฟนใหม่อยู่เรื่อยๆหัดคิดถึงเวลาที่มันทุกข์บ้างทุกสิ่งทุกอย่างมันทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการ พัาดพากจากกันมีการเปลี่ยนกันเปลี่ยนแปลงกันมีการสูญเสียแล้วเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรแล้วเราก็จะอยู่กับความว่างได้อยู่กับบรมมัุขขังได้บรมมัุขนี่คือวิธีดับทุกข์ที่จะได้รับจากการอ่านหนังสือธรร ม, มตะต่างๆคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายกายกอง แปดหมื่นสี่พันบทเนี่ยสอนเรื่องวิธีดับทุกข์ทั้งนั้นสอนให้เราหยุดหยุดหาความทุกข์กันถ้าเราหยุดหาความทุกข์แล้วเราก็จะเจอความสุขความสุขมันอยู่ในใจมันรอให้ความทุกข์หายไปเท่านั้นเองพอความทุกข์หายไปความสุขก็โผล่ขึ้นมาเหมือนความสว่างนี่เราให้ความมืดมันผ่านไปท่างนั้นเห็นไหมตอนคืนพอมันพอมันสว่างปั๊บความมืดก็หายไป ความสว่างก็โผล่ขึ้นมาเราอยุดหาความทุกข์กันเราก็จะได้พบความสุขกันแลแต่เราไม่ยอมหยู่เนี่ยหากันอยู่ด้วยเพราะคิดว่าเป็นความสุขกันหาแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็กลายเป็นความทุกข์กันแต่ก็ไม่เข็ด เ, เดี๋ยวก็หาใหม่อีกตายไปก็กลับมาหาใหม่อีกทุกพบทุกชาติกลับมาหาแบบเดิมครั้งนี้ก็ไม่รู้ทั้งี่กี่ล้านนั้นยที่กลับมาเกิดกันใหม่เนี่ย แล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามาคิดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถ้าเราสามารถมองเห็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เราจะไม่ต้องเราจะไม่ต้องการอะไรต่อไปแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราหายไปความสุขมารอง รอเวลาโผล่ขึ้นมาเหมือนมีอะไรมามาม า, มาทับบันไว้เท่านั้นเองเราหาความทุกข์มาทับความสุขแท้จริงไว้ถ้าเราหยุดหาความทุกข์ได้ไม่เอาความทุกข์มาทับความสุขได้ความสุขมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองเอาหนังสือไปเอาไปอ่านนะอย่าไปบูชาหนังสือมีไว้ให้อ่านไม่ใช่มีไว้กราบว่า้บูชาแล้วจะได้ฉลาดถูตาจะได้สว่าง เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์หมดเราก็จะอยู่ท้าทุกสิ่งทุกอย่างพออยู่ท้าแล้วก็จะพบกับความสุขที่เราไม่ต้องหากันที่มันรอให้รอโผล่ขึ้นมาที่อยู่ในใจของเราอยู่แล้วในตอนนี้มีเท่านี้แหละความสุขที่แท้ จ, จริงมันอยู่ในใจของเราเรารอให้เราอยู่ทาความทุกข์กันทท้งนั้นเองอย่างพระพุทธเจ้าถามองคุลิมาเธอหยุดหรือ ย, ยังเราหยุดแล้วองคุลิมายังหาความทุกข์กันอยู่ หาฆ่าคนนฆ่าคนตายคิดว่าฆ่าแล้วจะได้ความสุขพะจะอบอกเธอหยุดหรือยังหยุดหาความทุกข์กันหรือยังเราหยุดแล้วเธอหยุดหรือยังหยุดโลบหยุดยากหรือยังท่านี้เองหยุดสองตัวนี้ได้แล้วสบายจะหยุดได้ก็ต้องเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา แจะอนุโมทนาให้พรยถาวาเรวะหาปุราปริุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิจิตัง eh ปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยะ า, าสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีธีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีิตธะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรมมาวะัฏาติอายุวันูสุขังภลัง